พระเจ้าทรงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสําคัญที่พระพุทธองค์ทรงเน้นอยู่เสมอดังจะเห็นได้จากสาธกต่อไปนี้ครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์กําลังเสด็จออกจากวัดพระเชตวันเพื่อเสด็จจาริกไปโปรดสัตว์ที่เมืองอื่นแม้ว่าพระเจ้าประสณที่โกศลท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีและสาวก ที่เป็นขลือหัดอื่นๆจะทูลอ้อนวอนไม่ให้เสด็จไปก็ไม่เป็นผลสำเร็จท่านเศรษฐีรู้สึกทุกข์ร้อนมากเพราะไม่ได้โอกาสฟังธรรมจากพระโอษฐ์และจะไม่ได้ถวายพัตหารแด่พระพุทธองค์พร้อมทั้งหมู่พิสุสง์ขณะนั้นหญิงทาสคนหนึ่งชื่อว่าปุญนารับอาสาจะไปทูลขอให้พระพุทธองค์เสด็จกลับ ท่านเศรษฐีจึงสัญญาว่าหากนางสามารถทําให้พระพุทธองค์เสด็จกลับมาประทับที่วัดพระเชตวันได้ก็จะปล่อยนางให้เป็นอิสระบุญ น, นาทาสีจึงรีบติดตามพระพุทธองค์ไปแล้วทูลอ้อนวอนให้พระองค์เสด็จกลับพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเธอจะทําอะไรให้เราได้นางทูลตอบว่า ข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะถวายนอกเสียจากจะปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมและพระสง์เป็นที่พึ่งและจะรักษาศีลห้าหากพระองค์เสด็จกลับมาประทับจำพรรษาในกรุงสาวัตถีพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ได้ทรงอนุโมทนาสาธุการว่าสาธุดีแล้วปุญนา และเสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหารเมื่อข่าวเรื่องพระพุทธองค์เสด็จกลับกรุงสาวัตถีได้แพร่ออกไปท่านเศรษฐีจึงให้นางปุนาพ้นจากความเป็นทาสตามคำสัญญาทั้งยังได้รับนางเป็นที่ดาอีกด้วยเมื่อนางได้เป็นอิสระแล้วสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตนได้ จึงได้ทูลขออุปสมบทเป็นพิษุณีในพระาศาสนาและด้วยบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาดีแล้วในอดีตชาตินางได้เจริญวิปัสสนาภาวนาจนอย่างเห็นความไม่เที่ยงของรูปนามด้วยอุทธพยายานในขณะนั้นพระพุทธองค์ทร ง, ทรงพระฉัพพรรณรังสีมาปรากฏแก่นางแล้วรัตแนะนำว่า ลูกหญิงปุนาดวงจันย่อมเต็มบริบูรณ์ในวันเพนขึ้นส5ห้าค่ำฉันใดเธอก็ควรเจริญวิปัสสนาให้ถึงที่สุดฉันนั้นเมื่อวิปัสสนาของเธอเต็มบริบูรณ์เธอก็จกบรรลุถึงที่สุดแห่งทุกหลังจากที่พระปุนาเถรีได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต เหตุที่พระพุทธองค์ทรงยกเลิกกำหนดการเสด็จจาริกไปตามคำวิงวอนของปุณณาทาสีนั้นก็เนื่องด้วยทรงทราบอุปนิสัยของนางและทรงประสงค์จะช่วยให้นางได้อบรมพัฒนาจิตจึงเห็นได้จากสาธกนี้ว่าพระสมณะโคโดมเจ้าของเราทรงนับถือการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ฝ่ายเจ้าชายสุมนณะนั้นขณะรักษาศีลในวัดพระเจตวันได้เสด็จไปหาพระสุมนณะเถระอยู่เสมอและได้ทอดพระเนีตรการอุปถากที่พระสุมนณะเถระได้ถวายแด่พระพุทธองค์เป็นประจำก่อนจะออกพรรษาไม่นานจึงเสด็จกลับพระราชวัง และได้ถวายมหาทานแกสงและได้ทูลยืนยันความประสงค์ที่จะเป็นพุทธุปัตถาในพระพุทธเจ้าที่เสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตหลังจากนั้นพระปทุมุตระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนานั้นจกสำเร็จเจ้าชายสุมนณะยังได้บำเพ็ญบา ร, รมีต่อมาอีกนับชาติไม่ถ้วน นายชาดกต่างๆได้กล่าวถึงการบําเพ็ญบารมีของพระอนนท์ที่ได้ทําร่วมกับพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายบางครั้งพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นกษัตริย์ส่วนพระอนนท์เป็นอมาตะบางครั้งพระโพธิสัตว์เป็นอมาตะพระอนนท์เป็นกษัตริย์บางครั้งพระโพธิสัตว์เป็นเท้าสักกะพระอนนท์เป็นมนุษย์บางครั้ง พระโพธิสัตว์เป็นมนุษย์พระอนนนท์เป็นเท้าสักกะและในบางชาโดกพระโพธิสัตว์และพระอนน์ได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันก็มีหลังจากที่ทั้งสองพระองค์บำเพ็ญบารมีร่วมกันอย่างใกล้ชิดในสังสารวัตรอันยาวนาน ในพบสุดท้ายพระอ น, นุลได้ประสูติเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสุดโททนะเมื่อครั้งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปยงังกรุงกบิลพัทตามคำอาราธนาของพระเจ้าสุดโททนะพระราชบิดาหลังจากประทับอยู่นานพอสมควรได้เสด็จกลับกรุงรัชคลืโดยมีพระอ น, นุลและเจ้าชายสกยาวง รวมห้าพระองค์อุปสมบทเป็นภิกษุโดยเสด็จกลับมาด้วยด้วยเหตุที่พระอ น, นุนได้บำเพ็ญบา ร, รมีมานับชาติไม่ท้วนจึงเป็นปัใจจัยให้ท่านสามารถเข้าใจหลักปฏิจจสมาบาทได้ทั้งที่บุคคลส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากนอกกนั้นท่านยังได้รับการสั่งสอนจากครูหลายคนตลอดเวลาแสนกับที่ผ่านมานี้ ท่านไม่เพียงได้พำนักร่วมกับครูอาจารย์แต่ยังได้ศึกษาและสอบถามความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วทรงจําไว้อีกด้วยการเรียนด้วยความเอาใจใส่เช่นนี้ทําให้ท่านเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทได้อย่างดีที่จริงท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากฟังคําสอนของพระปุณณมันตนีบุตร ซึ่งเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงพระอ น, นุลยังได้สรรเสริญพระปุณณมันตนีบุตรว่าแสดงธรรมได้แจ่มแจ้งมากใจความของพระสูตรในการเทศนาครั้งนั้นมีดังนี้ตัณหามาณะและทิฏฐิเกิดได้เพราะมีความยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ แต่ถ้าไม่มีความยึดมั่นในขันห้ามีรูปเป็นต้นตัณหามานะและทิฏฐิเกิดไม่ได้ข้อนี้อุปมาเหมือนภาพที่สะท้อนในกระจกเงาหากไม่มีกระจกเงาภาพสะท้อนก็เกิดขึ้นไม่ได้ขันห้าเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเมื่อขันห้าไม่เที่ยงเราจึงควรกำหนดรู้และเข้าใจว่าไม่มีอะไรเที่ยง ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและ ว, วิญญาณในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดสามหรือประณีตไกลหรือใกล้ขันห้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราพระสาวกได้สดับแล้ว กำหนดรู้อย่างนี้แล้วรู้เห็นตามความจริงก็จะเกิดเบื่อหน่ายในขันห้าเมื่อเบื่อหน่ายก็จะไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจิตย่อมหลุดพน้นเมื่อจิตหลุดพ้นย่อมรู้ว่าจิตหลุดพน้นกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความหลุดพ้นไม่มีอีกแล้วข้อความข้างต้นอธิบายได้ว่า ตัณหาคือความยินดีพอใจสิ่งที่พบเห็นอยู่มานะคือความทนงตนว่าเราดีกว่าคนอื่นและทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนเป็นเราของเราบุรุษหรือสตรีทั้งสามอย่างนี้ย่อมเกิดขึ้นอาศัยรูปคือดวงตาและรูปารมณ์หูและเสียงเป็นต้น นอกจากนั้นยังอาศัยนมามธรรมอื่นๆ อ, อันได้แก่ความรู้สึกเวทนาความจำได้หมายรู้สัญญาพร้อมทั้งสังขารที่ปรุงแต่งจิตเช่นความใส่ใจอารมณ์มนสิการการกระทบอารมณ์ผัสสะความตั้งใจเจตนาความโลภโลภะ ความโกรธโทสะความเลื่อมใสศรัทธาเป็นต้นรวมไปถึงจิตที่นึกคิดเรื่องราวต่างๆถ้าผู้ปฏิบัติธรรมปราศจากความยึดมั่นในขันห้าตัณหามานะและทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อพระอานุนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วท่านจึงเข้าใจเหตุผลที่สัมพันธ์กันตามหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นการอย่างรู้ด้วยวิปัสนาญาณว่าความไม่รู้ความผูกพันความยึดมั่นความพยายามและการเกิดปฏิสนธิวิญญาณในภพใหม่ด้วยแรงกรรมทั้งหมดนี้เป็นห่วงโซ่ที่คล้องเกี่ยวต่อเนื่องกัน กลายเป็นสายโซ่แห่งปฏิจจสมบบาทในที่นี้ความไม่รู้หรือความเห็นผิดได้แก่อวิชชาความผูกพันได้แก่ตัณหาความยึดมั่นได้แก่อุปทานความพยายามได้แก่กรรมดังนั้นเมื่อกล่าวว่ากรรมก่อให้เกิดภพใหม่จึงควรเข้าใจด้วยว่า การเกิดพบใหม่ย่อมมีเหตุมาจากอุปทานและตัณหาเป็นต้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นเหตุในอดีตจึงรวมถึงอวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมผู้ปฏิบัติธรรมอย่างรู้ความจริงเหล่านี้จากการเจริญวิปัสสนาจึงหลุดพ้นจากความลังเลสงสยัยที่ไม่สามารถกำจัดได้ ด้วยการเรียนจากตำราหรือจากการไคร้ครวญด้วยวิเคราะห์วิจาร์เท่านั้นพระอานอนเป็นพระสาวกที่ได้สดับมากที่สุดเพราะติดตามพระพุทธองค์ไปในที่ต่างๆและจดจําพระสูตรที่ทรงแสดงสั่งสอนได้ทั้งหมดท่านมีความทรงจําดีเลิศสามารถกล่าวพระสูตรซ้าได้ทุกถ้อยคำหลังจากที่ได้ฟังเพียงครั้งเดียว ส่วนธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในขณะที่พระอนน์ไม่ได้ตามเสด็จท่านก็ได้เรียนรู้ต่อจากสาวกที่ได้สดับมาแล้วท่องจำไว้กล่าวกันว่าพระอนนนสามารถทรงจำพระธรรมได้ถึงแปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ทีเดียวพระอัตถคตาจารได้กล่าวไว้ในคำภีอัตถตาของมหาเวทัลสูตรว่า พระอ น, นุนมีความทรงจำที่ดีเลิศสามารถทรงจำคาถาได้ถึงหมื่นกว่าคาถาภายในเวลาเพียงครู่เดียวดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่พระอ น, นุนจะเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทได้โดยไม่ยากลำบากทั้งนี้เป็นผลจากการสดับตรับฟังคำสอนมาจากพระบรมศาสด า, าและราสาวกรูปสาคัญสาคัญ ในทำนองเดียวกันนี้บุคคลปัจจุบันมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกก็อาจเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผลในหลักปฏิจจสมุปบาทได้ความลึกซึ้งของหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างไรก็ตาม หลักปฏิจจสมุปบาทก็จัดเป็นธรรมที่ยากแก่การเข้าใจทั้งในด้านเหตุผลการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและวิธีการปฏิบัติให้บรรลุผลในเบื้องแรกข้อที่ว่าวิชาเป็นปัจจัยก่อให้เกิดสังขารและวิญญาณเป็นต้นนั้นเป็นเรื่องเข้าใจยากเพราะคนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่ารูปนามเป็นความสุข เนื่องจากมีอวิชามาบางังไม่ให้เห็นความจริงว่ารูปนามเป็นทุกข์นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าความคิดและการกระทําทางกายหรือวาจาเกิดได้เพราะมีอัตตาตัวตนเป็นผู้คิดผู้ทาโดยไม่เข้าใจว่าความจริงแล้วทุกอย่างที่คิดและทาเกิดขึ้นได้เพราะมีสังขาร การขวนขวายทำกรรมเป็นปัจจัยและสังขารเกิดก็ได้เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงยากที่จะเข้าใจได้ว่ากรรมดีและกรรมชั่วเป็นผลเนื่องมาจากความไม่รู้และที่ยากไปกว่านั้นก็คือสังขารในพบก่อนเป็นเหตุก่อให้เกิดผลคือปฏิสนธิวิญญาณในพบปัจจุบัน และวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปอยัยตนะเป็นต้นนอกจากนี้หลักการของปฏิจจสมุปบาทที่กล่าวว่าการเกิดขึ้นของธรรมต่างๆมีได้โดยอาศัยเหตุปัจจัยสืบทอดต่อเนื่องกันไปก็เข้าใจได้ยากเช่นเดียวกันเพราะบุคคลทั่วไปมักเชื่อว่า ตนเองเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของตนหรือบางคนอาจเชื่อว่ามีพระเจ้าหรือพระพรหมเป็นผู้สร้างผู้กำหนดส่วนบางคนเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแทบจะทุกคนไม่เห็นว่าอวิชชาเป็นมูลเหตุของการเกิดพบใหม่อีกประการหนึ่ง พระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนามาหลายครั้งโดยลำดับเรื่องไว้มีหลายแบบบางครั้งเริ่มต้นด้วยอวิชชาแล้วจบลงที่มรณะบางครั้งก็เริ่มต้นโดยมรณะและจบลงด้วยอวิชชาบางครั้งเริ่มตรงกลางแล้วย้อนกลับไปหาต้นหรือจะเริ่มจากตรงกลางแล้วไปหาข้างปลาย เทศนาที่ต่างกันนี้มีส่วนทําให้เข้าใจได้ยากขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวเพื่อให้เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทได้อย่างแจ่มแจ้งจึงควรเจริญวิปัสนาภาวนาเพื่อให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเกี่ยวกับความเป็นเหตุปัจจัยของธรรมต่างๆด้วยปัญญาซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของตนเองแต่การเรียนรู้ วิธีปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและต้องดำเนินไปอย่างจดจอ่อและต่อเนื่องจึงจะได้ผลแม้จะเข้าใจได้ยากดังที่กล่าวมาแล้วแต่กลับเป็นเหมือนง่ายสำหรับพระอนนท์เพราะท่านมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมข้อความที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอนนท์ อาจเป็นได้ทั้งคำชมและคำตำหนิทางอ้อมพระอัฏกถาจารย์อธิบายการตำหนิของพระพุทธองค์ว่าพระดำรัตนี้อาจหมายความว่าอานนท์เธออยากกล่าวหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นของตื้นเข้าใจได้ง่ายแต่เหตุใดจึงฟังคำสอนของเราแล้วได้บรรลุเพียงโสดาบันเหตุใดจึงไม่ได้บรรลุ มักผลในชั้นสูงขึ้นเธอควรพิจารณาความบกพร่องของตนในเวลานี้เธอเป็นเพียงสาวกที่มีปัญญาปานกลางและเธอได้กล่าวแย้งคําพูดของเราคําพูดนี้ไม่เหมาะที่สาวกใกล้ชิดของเราจะพึงกล่าวเราต้องบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลานานา น, นับไม่ถ้วนเพื่อปัญญาตรัสรู้หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ดังนั้นจึงไม่ควรกล่าวว่าหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่เข้าใจได้ง่ายพระพุทธองค์ยังได้ตรัสย้ำถึงความลึกซึ้งของหลักธรรมว่าอานุนหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งยิ่งนัก และเพราะความไม่เข้าใจไม่แทงตลอดหลักปฏิจจสมุปบาททำให้สัตว์โลกเป็นเหมือนกลุ่มได้ที่พันกันเป็นกระจุกเหมือนต้นหญ้าที่พันเกี่ยวกันยุ่งเหยิงจึงไม่พ้นจากการเกิดในอบายภูมิไม่หลุดพ้นจากทุกข์และการเวียนอยู่ในสังสารวัตรกล่าวอีกนหนึ่ง กฎที่ว่าอาวิชชาและสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณและนามรูปเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งนักบุคคลทั่วไปจึงรู้ได้ยากไม่มีธรรมอื่นใดนอกจากเหตุและผลไม่มีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ในสัตว์ทั้งหลายแต่ก็ยังกลับเชื่อว่าสัตว์โลกมีตัวตนถาวร เกิดขึ้นในปฏิสนธิคณะแล้วค่อยๆพัฒนาจเจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับบุคคลบางพวกเชื่อว่าวิญญาณหรืออาตาตัวตนของสัตว์โลกได้เคยเกิดตายมาแล้วหลายภพหลายชาติความเชื่อผิดๆเหล่านี้เกิดเพราะว่าไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเหตุผลในหลักปฏิจจสมุปบาท สัตว์โลกทั้งหลายคิดทำและพูดเพราะความไม่รู้ในอริยสัจสี 4, และไม่เข้าใจในหลักปฏิจจสมุปบาทแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลร้ายและทุกคนจะต้องได้รับผลของกรรมที่ตนได้ทำไว้เอาวิชาเป็นเหตุให้ทำกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณในภพใหม่อีกทอดหนึ่ง วนเวียนไปอย่างนี้ผู้มีปัญญาจึงจะพึงเห็นพึงเข้าใจความจริงนี้ได้สัตว์โลกทั้งหลายจึงยังหลงติดอยู่ในสังสารวัฏเวียนเกิดเวียนตายจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งส่วนใหญ่ต้องทนทุกข์อยู่ในอบายภูมิมีน้อยครั้งที่กรรมดีจะนําให้เกิดในเทวภูมิหรือมนุษยภูมิ แต่เมื่อกรรมดีกำหนดแล้วก็จะต้องกลับไปเกิดในอบายภูมิอีกการที่สัตว์ในอบายภูมิจะไปบังเกิดในมนุษย์ภูมิหรือเทวภูมิได้เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งเพราะสัตว์ที่จะไปอุบัติในภพที่สูงขึ้นได้จะต้องมีความทรงจําเกี่ยวกับกรรมดีหรือได้นิมิตของกรรมดีที่เคยทํามาในอดีตแต่อบายสัตว์ แทบจะไม่มีโอกาสได้ทำกรรมดีเลยเพราะสัตว์เดรัจฉานมักมีชีวิตอยู่ด้วยการฆ่ากันเองเพื่อความอยู่รอดไม่มีเวลาหรือโอกาสที่จะได้แสดงความรักความเมตตาสงสารหรือคุณงามความดีใดๆและโดยมากมักจะบาดเจ็บหรือหวาดกลัวอย่างหนักก่อนตายดังนั้น อบายสัตว์จึงมักวนเวียนเกิดตายอยู่ในอบายภม์ความไม่รู้ในหลักปฏิจจสมุปบาททำให้สัตว์โลกไม่สามารถนำตนเองให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอุปมาเหมือนโคที่เขาผูกไว้กับแอกแล้วให้เดินวนไปรอบๆครกกระเดื่องไม่ว่าจะเดินไปสักกี่รอบก็ไม่สามารถออกไปจากการวนเวียน ในบริเวณแคบๆนั้นได้บุคคลผู้โง่เขาก็เช่นกันย่อมติดอยู่ในสังสารวัตรที่ส่วนใหญ่หมายถึงการเกิดในอบายภูมิซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลานานหลายต่อหลายกับความเข้าใจในหลักปฏิจจสมุปบาทมีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนกว่าอริยสัจสี่ ในอันที่จะปลดปล่อยสัตว์โลกให้เป็นอิสระความจริงอริยศาสตร์สีเป็นคำวัยพ์ของปฏิจจสมุปบาทการเจริญวิปัสสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างรู้ในธรรมโดยประจักษ์ด้วยการปฏิบัติของตนแต่ธรรมเหล่านี้ก็ลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจแม้จะเจริญวิปัสสนาก็ยังคงยากที่จะเห็นแจ้งหรือเข้าใจอวิชชา สังขารได้อย่างแจ่มแจ้งพระบรมศาสดาได้ทรงพิจารณาเกี่ยวกับหลักปฏิจจสมุปบาทในขณะก่อนและหลังการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยได้เสวยวิมุตติสุขตลอดเจ็วันหลังจากทรงตรัสรู้และในคืนวันที่เจ็ได้ทรงพิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาท โดยความเป็นปัจจัยาการคืออาการที่เป็นเหตุเป็นผลการของธรรมทั้งหลาย